คาพิณีวักวักว่าด้วยหญิงมีคันศิกขาบทที่หนึ่งคาพินีวักปาจิตตียกันห้ามให้บวชแก่หญิงมีคันนางภิกษุณีให้หญิงมีคันบวชนางออกบินทบาดมนุษย์ทั้งหลายกล่าวว่าจงถวายพิกษาแก่นางเกิดเพราะนางมีคันแก่มีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีให้หญิงมีคันบวชต้องปาจิตเตอสิกขาบทที่สองคาพิณีวักปาจิตติยกันห้ามให้บวชแก่หญิงที่ยังมีเด็กดื่มนมนางภิกษุณีให้หญิงที่ยังมีเด็กดื่มนมบวชนางออกบิณฑบาตมนุษย์ทั้งหลายกล่าวว่า จงถวายพิกษาแก่นางเถิดเพราะนางมีคนที่สองมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีให้หญิงที่ยังมีเด็กดื่มนมบวชต้องปาจิตตีสำหรับหญิงเช่นนี้หมายรวมทั้งผู้เป็นมารดาและแม่นมสิกขาบทที่สามคัพพิณีวั์ปาจิตติยกัน ห้ามให้บวชแก่นางสิกขาเมานาซึ่งศึกษายัางไม่ครบสองปีนางภิกษุณีให้บวชแก่นางสิกขามมนาผู้ยังไม่ได้ศึกษาในธรรมะหกอย่างครบสองปีนางจึงเป็นผู้เขลาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอธิบายวิธีที่นางศิกขามานาจะขอสิกขาสมมติ คือการสวดประกาศให้การศึกษาจากภิกษุณีสงฆ์และการสวดสมมุติของภิกษุณีสงฆ์ตลอดจนการเปล่งวาจาสมทานและการไม่ประพฤติล่วงธรรมะหข้อครั้นแล้วได้ส่งบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีให้บวชแก่นางสิกขามานาที่อย่างนี้ได้ศึกษาในธรรมะหกอย่างครบสองปีต้องปาจิตตี สำหรับธรรมะหกอย่างหรือธรรมหกอย่างคือศีลห้ากับเว้นการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลอันหนึ่งเฉพาะศีลข้อที่สเว้นจากการประพฤติล่วงคลุมมจรย์สิขาบทที่สคับพินีวัคปาจิติยกันห้ามให้บวชแกนนาสิขามาาที่สงยังไม่ได้สวดสมมุติ นางภิกษุณีให้บวชแก่นางสิกขามานาที่ศึกษาในธรรมะหกอย่างครบสองปีแล้วแต่สงยังไม่ได้สวดสมมติมีผู้ติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงวิธีที่นางสิกขามานาผู้ศึกษาครบสองปีแล้วจะพึงเข้าไปหาภิกษุณีสงเพื่อขอวุฒิฐานสมมุติคือการสวดประกาศให้ความเห็นชอบที่จะอุปสมบทได้แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีให้บวชแก่นางศิกขามาาที่ศึกษาในธรรมะหกอย่างครบสองปีแล้วแต่สงฆ์ยังไม่ได้สวดสมมุติต้องปาจิตตีศิกขาบทที่หคับพิณีวักปาจิตติยกันห้ามให้บวชแก่หญิงที่มีสามีแล้วแต่อายุยังไม่ถึงส2บสองนางภิกษุณี ให้บวชแก่หญิงที่มีสามีแล้วแต่อายุยังไม่ถึงสิบสองขวบนางไม่อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือคลานคำพูดล่วงเกินและเวทนากล้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีให้บวชแก่หญิงที่มีสามีแล้วแต่อายุยังไม่ถึงสิบสองขวบต้องปาจิตตี สิกขาบทที่6คัพพินีวัชปาจิตติยกันห้ามให้บวชแก่หญิงเช่นนั้นอายุครบสิบสองแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษาสองปีสิกขาบทที่เจคัพพินีวัคปาจิตติยกันห้ามให้บวชแก่หญิงเช่นนั้นที่ศึกษาสองปีแล้วแต่สงยังไม่ได้สวดสมมุติสองสิกขาบทนี้มีข้อความคล้ายสิกขาบทที่สามและสิกขาบทที่สี่ คือจะต้องขอสิกขาสมมุติและขอวุ ธ, ธิฐานสมมุติจากภิกษุณีสงฆ์จึงจะให้บวชได้ถ้าให้บวชผู้ยังมีคุณสมบัติไม่สมบูรณ์ต้องปาจิตติสิกขาบทที่8ปดคพินีวักปาจิตติยากันห้ามเพิกเฉยไม่อนุเคราะห์สิทธิทบวชแล้วนางทุนละนันทาภิกษุณี ให้สหชีวินีหรือสัตว์ทวิหาริกคือผู้เป็นสิทธิที่อุปชัยะหรือประวตินีบวชให้บวชแล้วไม่ได้สงเคราะห์เองหรือให้ผู้อื่นสงเคราะห์ด้วยการสอนธรรมะการสอบถามการให้โอววาดการพร่ำสอนตลอดเวลาสองปีนางจึงเป็นผู้เขาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงมัญญาศิขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้เป็นอุปชายยะหรือปวัตินีผู้ทำเช่นนั้นศิขาบทที่9้าคัพพินีวัชปาจิตติยกันห้ามนางภิกษุณีแยกจากอุปชายยะคือไม่ติดตามครบสองปีนางภิกษุณีทั้งหลาย ไม่ได้ติดตามประวัตินีหรืออุปชายยะผู้บวชให้ตนตลอดสองปีจึงเป็นผู้เขาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรและไม่ควรมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้เป็นสหชีวินีหรือสัตธิวิหาริกผู้ทำเช่นนั้น สำหรับคำว่าไม่ติดตามนี้คําท้ายสิกขาบทหมายถึงไม่รับใช้เพิ่งสังเกตว่านางพิสุจนีบวชแล้วจะต้องติดตามรับใช้อุปชัยยะหรือผู้ที่บวชให้เพื่อได้ศึกษาเพื่ออยู่ในปกครองสองปีแต่พิสษุต้องถือนิสัยคืออยู่ในปกครองของอุปชัยยะหรืออาจารย์5ปีสิกขาบทที่สิบ ขัาพินีวักปาจิตติยากันห้ามเพิกเฉยไม่พาสิทธิ์ไปที่อื่นนางทุลลนันทาภิกษุณีให้สหชีวินีหรือสัตทธิวิหาริกบวชแล้วไม่ได้พาไปที่อื่นไม่ได้ใช้ให้พาไปที่อื่นสามีของนางภิกษุณีนั้นรับตัวไปคือพาให้สึกไปมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า นางภิกษุณีให้สหชีวินีบวชแล้วไม่พาไปที่อื่นโดยที่สุดแม้เพียงห้าถึงโยต์ต้องปาจิตติ